การทำจิตทำใจไม่เศร้าโศกถือว่าโชคล้ำค่ามหาศาลสุขภาพจิตดีพาเบิกบานจิตสำราญท่านว่าเป็นมงคลมงคลที่36อะอโศกัลงจิตไม่เศร้าโศกความโศกคือความเหี่ยวแห้งตรอมจิต ในเมื่อถูกความพิบัติเข้าทับถมหรือถูกทุกข์ายอย่างอื่นๆหรือตนเองถูกทุกข์อย่างแรงกล้าเป็นต้นว่าถูกจองจำหรือจะถูกปรงชีวิตจิตใจของคนเราย่อมต้องการแต่สิ่งที่พึงใจหาได้ต้องการสิ่งที่ไม่พึงใจไม่เมื่อไม่ได้สิ่งที่พึงใจกลายเป็นใจเหี่ยวใจแห้งไม่สดชื่นใจอับเฉาใจเศร้าส้อย นี่แหละคือใจที่มีความโศกอันนามาซึ่งความทุกข์ทรมานแก่ตนเองเป็นยิ่งนักความโศกนับว่าเป็นของยากที่พุทุชนจะละได้แต่ถ้าเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วจะเห็นชัดว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยความโศกช่วยแก้อะไรได้บ้างผู้ที่มรณะไปความโศกก็ไม่แก้ไขให้ฟื้นได้ความทุกข์อย่างอื่นๆ ความโศกก็ไม่ได้ช่วยให้แบ่งเบาซ้ากลับเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกด้วยเหตุที่ทําให้จิตมีความโศกมีพระพุทธดํารัสกล่าวว่าความโศกเกิดแต่สิ่งที่ชอบภัยเกิดแต่สิ่งที่ชอบความโศกเกิดแต่สิ่งที่รักภัยเกิดจากสิ่งที่รักความโศกเกิดแต่สิ่งที่ยินดีภัยเกิดแต่สิ่งที่ยินดี ความโศเกิดแต่ความใคร่ภัยเกิดแต่ความ pegar, ใคร่ความโศเกิดแต่ตันหาภัยเกิดแต่ตันหาแต่เมื่อจิตใจหลุดพ้นจากสิ่งที่ชอบบ้างหลุดพ้นจากสิ่งที่รักบ้างหลุดพ้นจากสิ่งที่ยินดีบ้างหลุดพ้นจากสิ่งที่ใคร่ที่ใฝ่หาบ้างหลุดพ้นจากสิ่งที่ให้ทยานดิ้นรนบ้างย่อมเป็นจิตใจไม่มีความโศ ไม่มีภัยอันหน้าหวาดกลัวแม้จิตใจที่ไม่มีความโศกนั้นก็อยู่ที่ไม่ประมาทและมันจเจริญมรณสติเป็นอารมณ์เสมอจิตใจไม่มีความโศกเพราะว่าจิตใจนั้นไม่มีชอบไม่มีรักไม่มีติดใจไม่มีไฟหาจึงไม่มีความโศก ถ้าใจมีชอบมากมีรักมากมีติดใจมากมีไฝหามากมีดิ้นรนมากก็มีโศกมากถ้าใจมีชอบน้อยมีรักน้อยมีติดใจน้อยมีไฝหาน้อยมีดิ้นรนน้อยก็มีโศกน้อยตรงกันข้ามถ้าใจไม่มีชอบไม่มีรักไม่มีติดใจไม่มีไฝ่หาไม่ดิ้นรนเลย ก็ไม่มีโศกหรือหมดโศกสิ้นโศกไปเลยอันหนึ่งบุคคลเป็นอันความโศกเข้าครอบงำไม่เป็นอันตั้งหน้าที่จะประกอบการงานย่อมปล่อยเวลาให้เสียไปความโศกเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ทั้งนำมาซึ่งความทุกข์อย่างนี้ความไม่โศกเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะนำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์และเป็นสุกนิจการ เหตุนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสจิตที่ไม่มีความโศกเป็นอุดมมงคลประการหนึ่งคนมีปัญญาทมจิตที่เดินรนกวัดแกวง่งรักษายากห้ามยากให้ตรงได้เหมือนช่างทำลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นโทษโสร้ายรุกร้าเข้าเผาจิตจนลืมคิดถึงธรรมจำไม่ไหว เคยลืมคุณบุญบาปพระหยาบใจลืมทั้งภัยมัจุราชพิฆาตกายมงคลที่37วิชารังจิตประศจากธุลีธุลีเป็นชื่อแห่งกิเลสอันเป็นมูลรากสามประการคือราคะโทสะโมหะ กิเลสเหล่านี้ชื่อว่าทุลีเพราะเป็นเหตุทำจิตให้มองทำนองเดียวกับฝุ่นละอองที่ปลิวมาจาับพัสดุต่างๆให้มัวมองเปลอะเปื้อนราคะโทสะและโมหะกิเลสเหล่านี้มีลักษณะทำจิตให้มองอย่างเดียวกันแต่ต่างกันโดยอาการดังนี้ราคะชักให้แสหาในอารมณ์ที่น่ากำนัดโทสะชักให้ข้่องขจัดด้วยความเคืงแค้น โมหะชักให้งมงายไม่รู้จักผิดชอบและยังต่างกันโดยโทษและระยะการที่เป็นไปราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษกล้าแต่คลายเร็วโมหะมีทั้งโทษกล้าและคลายช้าด้วยราคะโทสะโมหะเป็นทุลีเหมือนกันคือทําใจให้บอดมืดมนเหมือนกันดังมีพระพุทธดำรัสยืนยันไว้ว่า โลภะก่อความพินาศให้แก่จิตใจยั่วให้จิตใจกำเริบฟุ้งซ่านแปรปรวนคนโลภไม่อย่างเห็นภัยที่เกิดขึ้นภัยภายในจิตใจของตนไม่มองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตามความเป็นจริงและไม่มองเห็นกุศลธรรมโดยชัดแจ้งเมื่อความโลภเข้าสิงจิตใจเมื่อใดก็ทำให้ใจมืดบอดเมื่อนั้น โทสะก่อความพินาศให้แก่จิตใจยั่วให้จิตใจกำเริบฟุ้งซ่านแปลปรวนคนโหดร้ายไม่อย่างเห็นภยัยที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองคนถูกโทสะทำร้ายแล้วไม่มองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตามความเป็นจริงและไม่มองเห็นกุศลธรรมโดยชัดแจ้งโทสะเข้าสิงจิตใจเมื่อใด ก็ทำให้ใจบอดใจมืดเมื่อนั้นโมหะก่อความพินาธให้แก่จิตใจยวดจิตให้กำเริบฟุ้งซ่านแปรปรวนคนหลงแล้วไม่อย่างเห็นภัยที่เกิดขึ้นภายในใจตนไม่มองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตามความเป็นจริงและไม่มองเห็นกุศลละธรรมอันชัดแจ้งโมหะเข้าสิงจิตใจเมื่อใด ก็ทำใจให้บอดมืดมนเมื่อนั้นเป็นอันว่าราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นทุลีเสมอกันจิตที่ปราศจากกิเลสทุลีทั้งนั้นแม้ลักกิเลสดุจทุลีเหล่านั้นได้เพียงชั่วคราวเช่นเกิดความโกรธขึ้นก็เจริญเมตตาแก้เกิดความลุ่มหลงก็ใช้สัมปชัญญะแก้หรือเมื่อเกิดความกาหนัด ก็จเจริญอสุภกรรมฐานแก้ก็ชื่อว่าจิตนั้นปราศจากทุลีจิตไม่มีทุลีหรือจิตหมดทุลีเมื่อบุคคลทราบชัดแล้วว่าราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องทำจิตให้มองก็จงพึงปฏิบัติปัดเป่าทุลีดังกล่าวนั้นออกจากจิตจนกระทั่งทุลีนั้นเบาบางลงตามแต่จะเป็นไปได้ ด้วยพิจารณาให้เห็นโทษแห่งราคะโทสะและโมหะแล้วใช้ปัญญาสืบสางเพื่อให้กระจ่างแจ้งหายงมงายก็จัดว่าเป็นผู้ทำจิตให้ปราศจากทุลีดุดแสงอาทิตย์สองโลกให้สว่างด้วยเหตุนั้นพระพุทธองค์ตรัสจิตที่ปราศจากทุลีว่าเป็นอุดมมงคล ผู้ใดจักสำรวมจิตที่ไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างที่กายเป็นที่อาศัยจักพ้นจากเครื่องผูกมารได้ใจกเกษมอกเอกแท้จริงนาอดโกรธอดพยาบาทด้วยอดโอบบ่วงปัญหาห่วงใหญ่ยิ่งนารวมอดหมดแม้ม้วย แม่นมืออมรเมืองมองคลที่สามสิบแปดเขมังจิตทีเ่เกษมจิตที่ปลอดโปร่งจิตที่เกษมคือจิตที่ปลอดโปร่งจากเครื่องประกอบอันเครื่องประกอบนั้นมีอยู่สี่ได้แก่กามภพทิฏฐิและอวิชชาจิตของปุถุชนนั้น ย่อมมีภัยคุกคามอยู่โดยรอบซึ่งมีทั้งภัยภายนอกและภายในหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ทรงประกาศพระศาสนาสั่งสอนให้สัตว์โลกบำเพ็ญอริยมรรคอันเป็นหนทางนำไปสู่แดนกเกษมซึ่งเป็นแดนที่ปลอดภัยจิตของผู้ที่เข้าถึงแดนกเกษมจึงเป็นจิตของผู้ที่หลุดพ้นจากเชือกผูกคือกิเลส ท, ที่ชื่อว่าโยคะ ซึ่งเป็นเชือกผูกสี่เกลียวจิตของปุถุชนธรรมดายังตกอยู่ในวงล้อมของภัยก็ถูกเชือกผูกสี่เกลียวล่ามไว้ในโลกีเชือกสี่เกลียวดังกล่าวคือกามโยคะภวยโยคะทิฏฐิโยคะและอวิชายาโยคะซึ่งคอยสกัดกั้นไม่ให้หนีออกนอกวงล้อมได้กามโยคะกามราคะและเชือกผูกบวงสัตว์ไว้ และย่วยเย้าให้กำหนดด้วยอำนาจกิเลสจนติดอยู่ในกรรมคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสจัดเป็นกรรมโยคะเครื่องประกอบคือการมภาวะโยคะคือเชือกกล้ามปวงสัตย้อมใจให้นิยมยินดีรักใคร่ติดแน่นอยู่ในรูปประพและอารมประพผู้เบื่อหน่ายจากกรรมภพ ก็เห็นว่ารูปภพเลิดกว่ากรรมภพมุ่งมั่นที่จะเจริญรูปฌานจิตเพ่งอารมณ์จนแน่แน่เป็นอัปนาสมาธิเรียกว่าฌานซึ่งมีองค์ห้าจัดเป็นภวะโยคะเครื่องประกอบคือภพมีความยินดีใกล้อยู่ในองค์ฌานและความยินดีที่เกี่ยวข้องกับความเห็นว่าโลกเที่ยงทิฏฐิโยคะ ทิฏฐิคือความเห็นผิดจากของที่จริงที่แท้มีอยู่สองอย่างคือเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรศูนย์แม้คนและสัตว์ที่ตายก็คือร่างกายเท่านั้นส่วนเจตพูดเป็นของไม่ศูนย์จะต้องถือปฏิสนธิในกำเนิดอื่นต่อไปและเห็นว่าขาดศูนย์คือเห็นปฏิเสธว่าภาวะอย่างนั้นโดยถือว่าคนและสัตว์จุติจากร่างนั้น แล้วเป็นขาศูนย์จัดเป็นทิฏฐิโยคะเครื่องประกอบคือทิฏฐิอวิชายโยคะโมหะความหลงมืดมนปกปิดทำให้ใจบอดไม่รู้แจ้งในเหตุผลที่แสดงความไม่รู้อริยสัจหรือความเคลาที่เนื่องมาจากความไม่รู้ซึ่งสภาพที่ไม่รู้จัดเป็นอวิชายโยคะเครื่องประกอบคืออวิชชา ก่อนที่จิตจะเข้าถึงแดนเกษมนั้นต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระเพื่อเรียนรู้หลักความดีจริงและเพื่อยึดเป็นแนวทางดำเนินชีวิตตามหลักความดีจริงมาเป็นแนวอบรมกายวาจาและใจให้สะอาดเรียบร้อยด้วยศีลฝึกฝนจิตให้ผองแผ้วด้วยสมาธิและฟอกทิฏฐิให้แจ่มใสด้วยปัญญา ผู้ใดถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะประพฤติได้ดังกล่าวข้างต้นแล้วสารณะของผู้นั้นเป็นสารณะอันกเกษมเป็นสารณะอันอุดมแม้จิตของเขาผู้เข้าถึงสารณะอันกเกษมก็เป็นจิตกเกษมเข้าถึงแดนปลอดภัยเหตุนั้นพระพุทธองค์ตรัสจิตที่กเกษมเป็นมงคลอันล้ำเลิศประเสริฐสุดด้วยประการชนิ แ, แล คนใดมีจิตไม่ท้อถอยมีจิตใจไม่หดหูบำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุที่เกษมจากโยคะพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยน์ทั้งหลายทั้งปวงได้ท่านผู้ฟังที่เคารพคะ38มงคลชีวิต ของพระธรรมโกสาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกข u จบบริบูรณ์แล้วนะคะผู้จัดทํารายการขอกราบขอบพระคุณคุณสุทธิลักษ์สุขธรรมแห่งธรรมสภาที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อหนังสือให้ดิฉันเพนสีอินทราทัตผู้จัดทํารายการมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ